ทำสนับสนุนเรื่องใหญ่ไวเพ็ด ร, รู้เท่าทันสื่อโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมห、ah、ิดลพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบวัวไม่ควรพลาดเชิญชมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บวัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงจันทร์ถึงศุกร์โทร025493043หรือที่เวอร์ไวยเว็บดอทโลตัสดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซดอททีเอช โครองการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ น, นึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่10สิบทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองระหว่างวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนถึงวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Food Delivery ผู้เดินเหมือนรายการนัธรัฐแพรกุลและนัธพลดีปุดคุ้บคุมการผลิตโดยผู้ช่วยสัตวราจารย์ดัวเตอร์กุลกนิดทองเงาสร้างสารและผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชโมงคลทันยะบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเอลิวิลี่นะครับกลับมาพบกับผมรัฐพลดีอุดและอาจารย์นัชรัตน์แพรกุลอาจารย์จากสาขาอาหารและผู้ชนะการคณะเทคโนโลยีข้าราชการนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารผู้ชนะการงานวิจัยต่างๆที่เราจะนำมาแชร์มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการฟู้ดเอลิวิลี่นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าปลายปลายเดือน กันยายนนะครับอัดสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่ที่สการ์กินเจกันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวของการกินเจมาฝากคุณผู้ฟังนะครับโดยช่วงแรกวันนี้นะครับผมมีข่าวนะฮะจากกระทรวงสาธารณสุขมาฝากคุณผู้ฟังเป็นการตรวจเข้มของการกินเจแบบปลอดภัยนะครับโดยในแพทย์สุขุมการชนะพิมายนะครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวนะครับว่าช่วงเทศกาลกินเจปีนี้นะฮะตรงกับวันที่28กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมนะครับโดยประชาชนจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมและรับประ ทานผักผลไม้นะครับโดยเชื่อว่าเป็นการชำระจิตใจให้กับผู้บริสุทธิ์โดยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะจึงเฝ้าระวังอาหารที่จำหน่ายให้ปลอดภัยไม่มีการปลอมปนของเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการกินเจยอย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพรวมทั้งแนะนำเรื่องของการรับประทานอาหารเจให้ถูกหลักผู้ชนะการลดหวานมันเค็มลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับรวมถึงเลือกซื้ออาหารในร้านที่น่าเชื่อถือมีสั ญ, ญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับโดยนายแพทย์สมฤกจึงสมาน ร, รองที่ปรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวนะครับว่าการเฝ้าระวังการปนเปื้อนอาหารในช่วงเทศกาลกินเจตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันพบว่ามีการปน ป่นของอาหารน้อยลงนะครับโดยพบกลุ่มอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ตรวจพบดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ปนเปื้อนจากเดิมร้อยละห้าสิบนะครับโดยปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละแปดจุดสามกลุ่มผักดองพบวัตถุกันเสียกรดเบนซิโอลิก oli, เกินมาตรฐานที่กำหนดร้อยละห้าสิบสามจุดสามกลุ่มอาหารประเภทเส้นพบว่ามีวัตถุกันเสียกรดเซอร์บิกและ สีสังเคราะห์ 131.3 และพบสีอินทรีย์สังเคราะห์อในเส้นหมีซัว 138.5 นะครับซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้กดเชอร์บิกและสีสังเคราะห์อในอาหารประเภทเส้นด้วยอย่างไรก็ตามครับคุณฟังกดเบนโซอิกและกดเชอร์บิกนี้หากรับประทานเข้าไปไม่มากจะเกิดอาการแพ้นะฮะขึ้นไส้ และไถ่ายท้องนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ร่วมกับอรยอยในการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชในผักผลไม้ที่นิยมสิบอันดับได้แก่กระป๋องปีกวางตุ้งผักกาดขาวผักบุ้งคะน้าแครอทมะระฟักเขียวนะฮะหัวไชเท้ารวมถึงผักโขมด้วยนะครับด้านในแพทย์มารุษนะฮะจิต เศรษฐสิรินะครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวนะครับว่าในซุ้งเทศกาลกินเจปีนี้แนะนำให้รับประทานพืชสมุนไพรสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือพืชสมุนไพรที่กินง่ายช่วยให้อยู่ในท้องได้แก่กล้วยน้ำว้าสุกธัญพืชมันเทศ เขาพูดหวานกลุ่มที่สองพืชสูตรภัยที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้แก่ขิงพริกไทยและกลุ่มที่สามพืชสูตรภัยที่ช่วยป้องกันความดันเบาหวานนะฮะอย่างเช่นน้ำกระเจีย๊ยบน้ำดอกคำฝอยน้ำตะไคร่น้ำตีพาระานะฮะและเลือกใช้ยาสูตรภัยในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการดูแลอาการที่ไม่พึงประสงค์จากภาวะกินเจมีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียอย่างเช่นขมิ้นชันมะละกีนก็รวมถึงยาเหลืองปิดสมุดครับขอบคุณที่มาด้วยนะครับกับเรื่องราวในตอนต้นของ รายการนี้จากข่าวสดออนไลน์นะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของการกินเจมาฝากคุณฟังนะครับแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี たんてたんなしっかんかい。 เจลีบอรี่ช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัว ครับมากับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟัง k, ะะ ja,、ja. กับช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับอย่างที่ได้เกิดไปในตอนต้นของรายการนะครับกับเรื่องราวการกินเจนะครับซึ่งเราพูดคุยไปในช่วงที่แล้วแล้วนะฮะกับเรื่องราวการที่กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ในการตรวจเข้มการกินเจที่ปลอดภัยนะครับวันนี้นะฮะในช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวผมก็เลยนำเรื่องราวการกินเจในปี2562มาให้คุณฟังได้รับฟังกันว่าเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมกับเทศกาลกินเจในปีนี้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะฮะเกิดไปแล้วว่าเทศกาล กินเจในปี2552นี้ตรงกับวันที่28 กันยายนไปจนถึงวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับซึ่งรวมเวลาเป็นเก้าวันด้วยกันนะครับแล้วทำไมครับคุณผู้ฟังเราถึงต้องกินเจกินเจแล้วได้อะไรแล้วรวมถึงเทศกาลกินเจนี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับคำว่าเจนะฮะในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาจะหมายถึงอุโบสถนะครับหรือการรักษาศีลแปดของาศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับซึ่งจะมีการรักษาอุโบสถศีลไม่ควรบริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีลแปดข้อนะครับและไม่ บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตซึ่งช่วงหลังเราจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่ากินเจไปด้วยนะครับแต่ถึงกระนั้นครับคุณผู้ฟังการกินเจก็ไม่ใช่เพียงแค่การงดเนื้อสัตว์อาหารรวมถึงเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์แต่ยังรวมไปถึงการรักษาศีลนะครับประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจอีกด้วยนะครับโดยช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีนะฮะจะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงเก้าค่ำเดือนเก้าตามปฏิทินจีนซึ่งตรงกับ เดือนสิบเอ็ดหรือเดือนตุลาคมของไทยตามปฏิทินสากล น, นะครับรวมเป็นเวลาทั้งสิ้นเก้ า, า9วันเก้าคืนโดวยเทศ ก, กาลกินเจในปีนี้นะฮะเริ่มวันที่แปดกันยายนถึงเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองโดยบางท่านอาจจะล้างท้องตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนในมื้อเย็นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับเราทำไมถึงต้องกินเจนะครับด้วยการกินเจครับคุณผู้ฟังข้อแรกเลยนะครับกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะอาหารเจถือเป็นอาหารชีวิตจิตอย่างหนึ่งเลยนะครับ ที่จะช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุลล้างพิษในร่างกายร่วมถึงการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะคนจีนเชื่อนะครับคุณผู้ฟังว่าเนื้อสัตว์เป็นหยินและผักผลไม้เป็นหยางด้วยธรรมชาติของคนนะฮะมักจะทานเนื้อสัตว์เยอะกว่าผักผลไม้การงดการทานเนื้อสัตว์จึงเป็นการปรับสมดุลให้กับหยินหยางของร่างกายเนี่ยให้สามารถสมดุลกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่สองครับ คนจะกินเจเพื่อทำบุญครับคุณผู้ฟังเพื่อชำระล้างใจให้ใสสะอาดนะครับไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทำให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสามากยิ่งขึ้นเมื่อเราทราบว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีก็จะส่งผลต่อจิตใจที่เบิกบานให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นสุขขึ้นทุกวันนะครับและข้อที่สามครับคุณผู้ฟังกินเจเพื่อการละเว้นกรรมนะครับที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งการจ้างฆ่าเพื่อการบริโภคหากเราทราบว่าการงดบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพั น, พ น, พ น, พน 10, เราก็จะสามารถลดกรรมของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องล้างท้องก่อนกินเจนะครับคุณผู้ฟังซึ่งการล้างท้องนี้จะหมายถึงการเริ่มกินเจก่อนถึงการเริ่มต้นเทศากาลกินเจหนึ่งถึงสองวันเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆปรับสภาพและทำความคุ้นเคยกับการกินเจได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดวยนอกจากเนื้อสัตว์แล้วการกินเจเนี่ยเขาจะห้ามกินอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งอย่างแรกที่เขาห้ามนั่นก็คือผักที่มีกลิ่นฉุนห้าอย่างก็ได้แก่กระเทียมนะครับหอม หัวใหญ่หอมแดงหอมขาวต้นหอมนะครับหลักเกลียวผักของจีนซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกระเทียมโทนนะครับกุยช่ายและใบยาสูบนะครับนอกจากนี้นะครับผักชนิดไหนที่มีกลิ่นฉุนการกินเจก็จะไม่ควรทานในช่วงของการกินเจด้วยนะครับอย่างที่สองครับประเภทของนมเนยน้ำมันต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับจากสัตว์เหล่านี้ก็ห้ามกินนะฮะอย่างที่สามครับอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหวานจัด เบี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดอย่างที่สี่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะครับและอย่างที่ห้าใครที่กินเจอย่างจริงจังก็ห้ามรับประทานอาหารบนภาชนะที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ได้กินเจและต้องทานอาหารที่ปรุงจากคนที่กินเจด้วยเท่านั้นนะครับคุณฟังครับถึงแม้ว่าการกินเจจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์แต่เชื่อนะครับว่าหากคุณได้ลองกินเจแล้วนอกจากสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นแล้วนะฮะเรายังอิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลและการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปด้วยนะครับอย่างได้ผิวพรรณที่ดีและหุ่นสวยเฟอร์เฟคแน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองกินเจนะครับปีนี้ก็ลองกันเป็นปีแรกดูนะครับรับรองว่าคุณอาจจะติดใจจนอยากไม่หยุดกินเจก็เป็นได้นะครับโดยนอกจากการกินเจห้ามอะไรแล้วล้างท้องยังไงแล้วนะครับยังมีวิธีการกินเจแบบผิ ด, ผด ที่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือการทานอาหารหมักดองนะครับคุณผู้ฟังครับสารพัดอาหารหมักดองตา่ตางๆถูกหยิบมาเป็นเมนูเปิดทานพร้อมเข้าวต้มในช่วงของเทศกาลกินเจกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะหาซื้อได้ง่ายเก็บรักษาได้ง่ายแต่อาหารหมักดองเหล่านี้มีโซเดียมที่สูงมากหากทานบ่อยๆจะเสี่ยงให้เป็นโรคไตรวมถึงโรคความดันโลหิตสูงได้นะครับรวมถึงอาหารลดหวานจัดเค็มจัดนะครับนอกจากอาหารเค็มๆจากอาหารหมักดองแล้วยังมีอาหารเจ อ, อีกหลายอย่าง อย่างที่ปรุงรสมาค่อนข้างจัดจ้านจัดจ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาหารรสเผ็ดจัดนะครับแต่เราจะหมายถึงอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดนั่นเองนะครับโดยผู้ประกอบการร้านอาหารหลายๆร้านอาจจะปรุงรสหวานหรือรสเค็มเพื่อที่จะยืดอายุอาหารให้ขายได้ไปในหลายวันนะครับหรืออาจจะเป็นอาหารสไตล์จีนที่นิยมรับประทานกันในรสชาตินั้นๆอยู่แล้วอย่างเช่นการน้ำชายน้ำเลียบการทานอาหารรสหวานจัดเค็มจัดมากๆก็จะเสี่ยงการเกิดโรคไตรวมถึงโรคความดันโลหิต สูงได้เช่นกันนะครับข้อที่สามครับอาหารไขมันสูงครับคุณผู้ฟังหากเราดูกันดีๆแล้วอาหารเจรที่ขายตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นผัดผักกาหนะไชายร่รวมถึงแกงต่างๆอาจพบว่ามีปริมาณไขมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะผู้ประกอบการอาจปรุงอาหารในปริมาณมากๆและใช้น้ำมันค่อนข้างมากตามไปด้วยด้วยอาหารไขมันสูงนอกจากจะเสี่ยงต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับอาจจะยังเสี่ยงต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด หรือไขมันพอกตับได้ดังนั้นเราไม่ควรทานอาหารเจที่มีไขมันสูงติดต่อกันนานๆนะครับถ้าเราเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับข้อที่สี่ครับอาหารที่ไร้ผักและเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตนะครับไร้ต่อไร้มื้ออาหารเจมีปริมาณผักค่อนข้างน้อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะผักผลไม้ราคาสูงขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยอาหารที่เราพบเห็นได้จึงเป็นส่วนประกอบของแป้งค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นแป้งที่มาจากกลุกชิ้นจริงๆรวมถึงแป้งที่มาจาก การทำเลียนแบบเนื้อสัตว์อย่างเช่นทอดมันเจปลาเค็มเจหมูเจไก่เจกุ้งเจนะฮะซึ่งอาหารเหล่านี้นะฮะหากคุณรับประทานไปคุณอาจกำลังทานคาร์โบไฮเดรตมากกว่าการรับประทานผักผละไม้นะครับซึ่งจะส่งผลต่อโรคอ้วนนะฮะรวมถึงระบบขับถ่ายที่อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับข้อที่ห้าครับทานอาหารเดิมๆซ้ำๆนะครับสำหรับใครที่ชอบทานอาหารเจ อยู่ไม่เกินสองเมนูสลับกันไปเรื่อยๆระวังเราจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างไกายนะครับโดยเฉพาะโปรตีนที่หากไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนจึงอาจจะขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนก็ได้นะครับยิ่งทานเมนูนั้นมีแต่แป้งกับไขมันแล้วด้วยโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่างๆก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเราควรเลือกนะฮะ รับประทานอาหารเมนูเจที่หลากหลายอย่าทานเมนูเดิมๆซ้ำๆติดต่อกันจะดีที่สุดนะครับแล้วควรกินเจกินอะไรทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้บ้างเพราะว่าเราไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์นะครับโปรโตีนนะครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสารอาหารสำคัญต่อร่างกายเลยทีเดียวนะครับด้วยแหล่งสำคัญของโปรโตีนนั่นก็คือเนื้อสัตว์ซึ่งทำให้เกิดคำถามสำหรับผู้ที่กินเจรวมถึงผู้ที่กินมังสวิรัตินะครับว่าการงดเว้นเนื้อสัตว์ เราจะทดแทนโปรตีนที่ขาดหายเหล่านี้ได้อย่างไรดีนะครับโดยโปรตีนนะครับเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสุขภาพโดยรวมของเราโปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของเส้นผมผิวหนังเล็บกระดูกกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนนะครับโดยร่างกายจะใช้โปรตีนในการเสริมสร้างความเติบโตและซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายรวมทั้งใช้ในการสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์หลายชนิดในร่างกายนะครับโปรตีน ย, ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างอย่างเช่นช่วยในการลดน้ำหนักด้วยการทำให้อิ่มนานทำให ให้ไม่กินจุกจิบนะครับรวมถึงการลดระดับของเกลิรินที่เป็นฮอร์โมนกระตุ้นความหิวด้วยนะครับโปรตีนยังช่วยรักษามวลกระดูกลักษาระดับน้ำตาในเลือดนะครับและเพิ่มการทำงานของสมองและเนื่องจากว่า โปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากเช่นเดียวกับไขมันและคาร์โบไฮเดทแตกต่างกันที่คาร์โบไฮเดทกับไขมันนั่นก็คือร่างกายไม่สามารถเก็บสะสมโปรตีนเอาไว้ไม่มีโปรตีนสำรองที่สามารถดึงมาใช้งานได้เมื่อต้องการนะครับดังนั้นคุณจึงต้องบริโภคโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวัน ซึ่งโดยทั่วไปนะครับเราจะแนะนำให้บริโภคโปรตีนให้ถึง 0.8 ก ร, รัมต่อมวลน้ำหนัก1กิโลโดวยการสะขาดโปรตีนนะฮะสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพหลายอย่างเช่นปัญหาผิวและเล็บการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไม่มีเลี้ยวมีแรงระบบภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายอ่อนแอลงนะครับฉะนั้นเราจึงควรให้แน่ใจว่าเราได้รับโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันนะครับแล้วเราจะมีวิธียังไงนะครับหากเราลดเนื้อสัตว์ในช่วงการกินเจแต ทำให้เราไม่ขาดโปรตีนนะครับโดยการกินอาหารประเภทปัสจากเนื้อสัตว์เป็นรูปแบบของการกินอาหารอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาช้านานไม่ว่าจะเป็นการกินมังสวิรัติแบบต่างๆหรือการกินเจของชาวจีนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดของการกินที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการงดเนื้อสัตว์นะครับคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีนแต่ข่าวดีก็คือเนื้อสัตว์ไม่ใช่เพียงแหล่งเดียวของโปรตีนนะครับอาหารจากพืชหลายชนิดมีส่วนประกอบของโปรตีนเ ช, เชนเ เศษของโปรโตีนจากพืชเหล่านี้นั่นก็คือมันยังให้เส้นใยอาหารและสารอาหารเพิ่มเติมที่อาจไม่มีในเนื้อสัตว์ด้วยนะครับถึงแม้การกินเจจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาไม่กี่วันนะคุณผู้ฟงังแต่ก็ควรให้แน่ใจนะครับว่าคุณไม่ขาดโปรโตีนที่จำเป็นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเพิ่มอาหารจากพืชที่มีโปรโตีนสูงเข้าไปในอาหารของคุณในระหว่างที่คุณรับประทานเจหรือว่าระหว่างที่คุณรับ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นี้ด้วยนะครับโดวยอาหารอย่างแรกที่สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้นั่นก็คือขนุนครับคุณผู้ฟังเราคุ้นเคยกับผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างดีนะครับโดยนิยมกินเนื้อสุก ข, ของขนุนจนทำให้อาจไม่ตระหนักว่าที่แท้จริงแล้วผลไม้ชนิดนี้เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีโปรตีนสูงเป็นอย่างมากและเนื้อขนุนมีลายเส้นของไฟเบอร์คล้ายกับเนื้อสัตว์ทำให้เวลาเรารับประทานแล้วจะรู้สึกเหมือนกำลังกินเนื้อสัตว์นะครับ รวมถึงได้โปรตีนที่สูงไม่แพ้เนื้อสัตว์เลยทีเดียวนะครับด้วยขนุนดิบ154ก ร, รมัมมีโปรตีนสูงถึง54ก ร, รัมเลยนะครับคุณผู้ฟังและขนุนยังมีสารอาหารสำคัญอย่างเช่นแคลเซียมในปริมาณที่สูงถึง56มิลลิกรัมธาตุเหล็ก1มิลลิกรัมและวิตามินซีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงชเช่นเดียวกับเส้นใ ย, ยอาหารในขนุนที่ช่วยการย่อยอาหารและทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นด้วยนะครับอย่างที่สองครับ เห็ดครับเห็ดถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับด้วยเห็ดหนึ่งร้อยกรัมมีโปรตีนสูงถึงสามจุดหนึ่งกรัมเลยทีเดียวนะครับเห็ดมีเนื้อสัมผัสที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเลยทีเดียวและมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนโดยมาร์สต์รูมคันซิลนะครับในสหรัฐอเมริกาที่เชี้ให้เห็นว่าการกินเห็ดอาจทำให้รู้สึก พึงพอใจและอิ่มได้มากกว่าเนื้อสัตว์นะครับและที่สำคัญนะครับเหต็ดยังมีแคลอรี่ต่ำและสารอาหารสูงและที่สำคัญอย่างเช่นโฟรีเซตคารายนะครั บ, ท, บที่ไปกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยยับยั้งการสร้างเอนไซม์บางชนิดอย่างเช่นอารูมาเทสที่ร่างกายต้องใช้เพื่อสร้างเอสโตรเจนซึ่งนี่อาจเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับรวมถึงเห็ดยังมีไนาอาซินและวิตามินบีอื่นๆซึ่งเป็นสารอาหารที่มักพบในเนื้อสัตว์ และไม่ค่อยพบในพืช น, นะครับแต่ว่าเห็ดเป็นแหล่งวิตามินบีที่สำคัญของคนกินเจเลยทีเดียวนะครับอย่างที่สามนะครับนั่นก็คือถั่วเปลือกแข็งรวมและธั ญ, ญาพืชด้วยนะครับด้วยอาหารกลุ่มนี้อย่างเช่นวอลนัทแอลมอนเม็ดมะม่วงหิน ม, าพานมะพร้าวเมล็ดเจียมะเมล็ดเฟิกเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของไขมันที่ดีต่อสุขภาพเส้นใยอาหารวิตามินแร่ธาตุและจะช่วยป้องกันโรคเลือดลังได้มากมายนะครับด้วยในการศึกษาของปี2007นะฮะ พบว่าการกินถั่วในปริมาณสูงสัมพันธ์กับการลดลงของความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือถั่วเมล็ดและพืชตระกูลถั่วครับคุณผู้ฟังครับทั้งพืชตระกูลถั่วอย่างเช่นถั่วผักยาวถั่วพูถั่วแขกหรือเมล็ดถั่วต่างๆทั้งถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวนะฮะทั้งหมดนี้ล้วนให้ทั้งโปรตีนและสารอาหารที่อาจขาดไปในช่วงของการกินเจอย่างเช่นธาตุเหล็กหรือโฟเลต ะะด้วยถั่วมเมล็ดเหล่านี้นะครับนำมาแช่ก่อนแปดถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการปรุงอาหารและปล่อยให้มเมล็ดถั่วงอกออกมาเล็กน้อยนะครับด้วยการงอกของมเมล็ดถั่วพวกนี้จะช่วยให้ปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้นโดวยในปริมาณหนึ่งร้อยก ร, รัมของถั่วลูกไก่ มีโปรโตีนถึง19กรัมถั่วดำมีโปรโตีนถึง21กรัมและถั่วแดงหลวงมีโปรโตีนสูงถึง24กรัมนะครับอย่างต่อไปครับนั่นก็คือกวางตุ้งจีนครับผัากชนิดนี้เป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่ดีนะครับโดยในปริมาณ100กรัมจะมีโปรโตีนสูงถึง 1.5 กรัมเลยทีเดียวนะครับและยังมีสารอาหารสำคัญต่า ง, างๆอย่างเช่นโฟเลตแคลเซียมโพแทสเซียมเมงกานีซ์ธาตุเหล็กรวมถึงวิตามินเอวิตามินซีต่างๆมากมายนะครับโดยในการศึกษาจำนวนมากแสดงว่าผักกวางตุ้งจีน มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงนะครับด้วยกับชั้นนอกจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์มากที่สุดนะครับทั้งนี้ยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่ทำให้การบริโภคผักชนิดนี้ในปริมาณสูงและสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับอย่างต่อไปครับแอดฟารากัดนะครับเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินบีโฟเลต คอปเปอร์แมงกานีสฟอสฟอรัสนะครับแมกนีเซียมวิตามินเอและวิตามินเคนะครับมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านมะเร็งคุณฟังครับโดยอย่างไรก็ตามนะครับโปรตีนอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่เนื้อสัตว์ให้ได้เนื้อสัตว์ก็มีสารอาหารบางชนิดที่อาจมี อยู่อย่างจำกัดในพืชเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือการใส่ใจในเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะครับและดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ขาดสารอาหารที่จำเป็นจากการไม่กินเนื้อสัตว์นะครับซึ่งบางครั้งอาจหมายรวมถึงการที่คุณต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเพื่อทดแทนสารอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับโปรโดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลดีมากกว่าผลเสียจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับ คุณผู้ฟังครับและนี่คือเรื่องเราวของการกินเจนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของขวีข้างกลัวในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกัอกบเรื่องราวของเมนูนักคิดนะครับมารอติดตามกันว่าผมมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ฟังนะครับติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 ศูนย์สองห้าสี่เก้าสามศูนย์สี่สามหรือที่เวอร์ไวยเว็บดอทโลตัสดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซดอททีเอชเพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลายสิบปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆพวกข้อเสนอชวนเชื่อเนี่ยหน้าชื่นอกรมมานักต่อ น, นัก เตือนใจไว้เกาต้องรู้เท่าทันซื้อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามความูลให้ท่วนที่และแตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไว้เพชรไม่เสบสื่อย่างสุมเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยไมห่ดน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 ฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเมนูนักคิด กลับมากับช่วงนี้ครับกับเมนูนักคิดนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เมนูนักคิดนะครับก็มีเมนูข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์นะฮะที่สามารถเก็บได้ถึงสองปีนะฮะซึ่งเป็นไอเดียจากมหาวิทยาลัยสารคามนะครับถึงพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าถ้ำกลางมวลน้ำมหาสารที่ชาวอุบลราชธานีกำลังประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสนะฮะด้วยสายทานแห่งน้ำใจของชาวไทยก็หลั่งไหลสู่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในนั้น นะครับคุณฟังทานน้ำใจก็มาจากมหาวิทยาลัยสารครามนะครับโดยอาจารย์ดรอัศวินอมรศิลป์นะครับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและพหุชนะศาสต ร, ร์นะครับคณะเทคโนโลยีได้คิดไอเดียข้าวเหนียวหมูย่างสเตอร์ลีไรด์นะครับโดยสามารถเก็บได้นานถึงสองปีโดยเตรียมกล่องเข้าวน้อยให้แม่สองพันกล่องนะฮะ พร้อมชุดเวชพันธุ์จำเป็นกล่องยาโน้อยให้แม่ออกเดินทางส่งถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลรัชธานีเมื่อวันที่16กันยายน2562ที่ผ่านหมายนะครับทางนี้นะครับคุณฟังที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและพวกชนะศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับอาจารย์ดรอัศวินออมศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและพวชศาสตร์พร้อมด้วยรองศาสต ร, ตราจารย์ดรอนุชิตามุ่งงามคณะบดีคณะเทคโนโลยีนะฮะ นำคณะอาจารย์นิสิต จิตอาสาจากคณะเทคโนโลยีร่วมลงมือในกระบวนการการผลิตเข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่นึ่งเข้าวเหนียวย่างหมูหั่นหมูเป็นชิ้นชิ้นช่างตวงปริมาณและบรรจุลงในถุงบรรจุพันธุ์นะครับซีนปิดปากถุงเข้าสู่กระบวนการการฆ่าเชื้อสเตอริไลซ์และติดสเกอร์เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเตรียมส่งถึงมือผู้รับนะครับโดยอาจารย์ดรอัตสวินนะครับกล่าวนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการทำกล่องข้าวน้อยให้แม่หรือข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์นี้นะครับมาจากการ ติดตามข่าวสารน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดวยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ค่อนข้างหนักและยาวนานนะฮะจึงอยากใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในเรื่องของการถนอมอาหารและการบรรจุพันธุ์มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและก็เกิดไอเดียการทำเข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลค์ขึ้นนะครับที่สามารถเก็บได้นานถึงสองปีเนี่ยและตั้งชื่อว่ากล่องข้าวน้อยให้แม่นะครับด้วยมีแรงบันดาลใจมาจากนิทานท้องถิ่นในเรื่องของกล่องข้าวน้อยข้าแม่ของจังหวัดยะโสธรนะครับที่ลูกหิวโมโหเพราะหินกล่องข้าวน้อย ของแม่เป็นแค่ของข้าวเล็กๆคิดว่าตัวเองจะกินไม่อิ่มแน่ๆแล้วลูกก็ค้าแม่สุดท้ายก็กินไม่หมดนะครับด้วยสำหรับขั้นตอนการผลิตนะครับเริ่มจากการเตรียมวัตสถุดิบอุปกรณ์ นะฮะแล้วก็เปิดรับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเช่นหมูบ้างข้าวเหนียวบ้างรวมถึงเครื่องปรุงหมักหมูต่างๆรวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับหอ่อนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการผลิตโดยข้าวเหนียวหมูย่างห่อนี้จะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวนึ่ง120ก ร, รมัมและหมูย่าง50ก ร, รมัมนะครับซีนบรรจุถุงในบรรในถุงบรรจุขนาดเล็กจากนั้นจะนำไปเข้าสู่กระบวนการการฆ่าเชื้อหรือว่าสเตอร์ไดไลท์นะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับโดยเป้านะฮะจะผลิต ได้หนึ่งหมื่นชุดแต่เนื่องจากกำลังการผลิตทั้งแรงคนและเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆอยัางไม่เพียงพอนะครับก็จะสามารถผลิตได้เพียงสองพันชุดนะครับซึ่งได้เดิอนทางนำไปส่งผู้ประสบภัยเมื่อวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ฟังที่จังหวัดบุรีรัมย์และเงินบริจาคที่เหลือก็ได้จัดเป็นชุดยากล่องยาน้อยให้แม่จำนวนหนึ่งพันชุดส่งปไปพร้อมกับชุดข้าวเหนียวหมูย่างนี้ด้วยนะครับด้าน น, นายนภัสหมดราคีนะครับนิสิตชั้นปีที่สองสาขาวิทยาการอาหาร และผู้ชนะการค ณ, ณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคามกล่าวนะครับว่าตนเองก็ได้มีส่วนร่วมในการบรรจุเข้าวเหนียวหมูย่างกับเพื่อนๆและคณะอาจารย์ที่คณะด้วยนะครับรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเสียหายและความเดือดร้อนจากพายนำท่วมในครั้งนี้และอยากจะส่งกำลังใจผ่านไปกับห่อข้าวน้อยๆ อ, อันนี้นะฮะที่ทางทีมงานได้บรรจงสร้างด้วยมือบรรจุด้วยใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤต ภัยธรรมชาติครั้งนี้ไปในเร็ววันนะครับนี่คือคำกล่าวของน้องณพัฒน์หมดราคีนิสิตชั้นปีที่สองสาขาเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาการนะครับโดวยกล่องเข้าวน้อยให้แม่นี้นะครับคุณผู้ฟังไม่เพียงแต่จะอิ่มท้องอิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับแล้วนะครับด้วยความดีงามของเข้าวเหนียวหมูย่างชุดนี้ยังสามารถเก็บได้นานถึงสองปีนะครับโดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับโดยผู้ประสบภัยสามารถกินได้โดยไม่ต้องอุ่นด้วยนะครับ แต่ธรรมชาติของเข้าวเหนียวอาจจะแข็งกว่าปกตินิดหนึ่งหากต้องการให้รสชาตินุ่มอร่อยก็สามารถนำไปต้มประมาณสามถึงห้านาทีหรืออุ่นในไมโครเวฟประมาณหนึ่งถึงสองนาทีโดยไม่ต้องนำออกจากถุงนะครับเพราะถุงที่ใช้บรรจุภัณฑ์นี้เป็นถุงที่สามารถทนความร้อนได้ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับกับเรื่องราวของข้าวเหนียวหมูย่างสเตอร์ลีไรด์ที่สามารถเก็บได้นานของถึงสองปีนะครับไอเดียจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคุยข้างครัวนะครับวันนี้คุยข้างครัวเราอยู่กับอาจารย์นัชรัตน์แพรกุลนะครับแต่ว่าอาจารย์จะนำเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกับเรานั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็ม 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี ขอบฟ้าหรือใต้ธาราหมื่นผู่ผาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพียงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบชาติได้ไหมมีวันไกลไกลขู 眉わるる眉眉眉 กัน。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 毎、ね、日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 私たちはこの道を見つた ジューマンの 日本の人たちは、世界の人たちは、世 เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เหตุนั้นจึงทは、世界の人たちは、世界の人たちは、世界の人たちは、世界の人たちは、ต界のทารは、 みんぷぱらいぱんだらだぷろみんもんぴんない。らおそうどんまぜかん。くんぷよかんほう在たらしゃん。よけんかんとぱぱさだいめみわんぷら。かいぷざいぱんほう在けんかん。おうそかわらたら。 かんぱんぱらだぼんめんもんてんだいかんぱんぱんぱんぱん火災とらしゃんゆきんかんとぽかただいめみわんぱんかいぷざいかん火災きんかん フォーデリバリーチュウォングウィカンクロワ。Food สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนัชรัตน์แพคกุลในช่วงคุยข้างขวดนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับมีสองประเด็นแน่ที่ยังเป็นข้อสงสัยนะสำหรับบุคคลทั่วไปว่าจริงๆแล้วควรทำอย่างไรนะกับประเด็นที่หนึ่งที่พูดว่าการเจ็บคอนั้นควรดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีกว่ากันนะกับประเด็นที่สองก็คือการวิ่ง นะสำหรับคนที่วิ่งใหม่ๆนะจะมีอาการคันนะฮะบางก็ว่าอาการคันนั้นเกิดจากการที่ไขมันแตกตัวจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาหาคำตอบทั้งสองข้อสงสัยกันนะครับ อันแรกนะอย่างที่คนสงสัยกันมานานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะที่ส่งผลทำให้รำคอนั้นหรือในช่วงของระบบทางเดินอาหารนั้นนะมีความรู้สึกเจ็บเวลาที่จะดื่มหรือกินอาหารหรือการไอนะฮะซึ่งบางคนก็บอกเฮ้ยการเจ็บคอเนี่ยควรที่จะจิบน้ำอุ่นเท่านั้นนะ นะฮะหรือบ้างก็ว่าควรที่จะดื่มน้ำเย็นนะจริงๆแล้วนะครับในทางการแพทย์แล้วยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ระบุอย่างชัดเจนว่าเมื่อมีอาการเจ็บคอ น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจะดีต่อคอมากที่สุดนะที่จะช่วยบรรเทาวอาการเจ็บคอได้มากกว่ากันนะเพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอนั้นมีด้วยกันหลากหลายประเภทนะฮะแต่สำหรับคนที่มีภาวะการเจ็บคอเพราะเป็นหวัดอย่างโรคหวัดธรรมดานะโดยอาจมีอาการปวดหัวปวดศีรษะน้ำมูกไหลนะครับไอจามนะฮะแล้วก็มีไข่ร่วมด้วยนะฮะควรเลือกที่จะจิบน้ำอุ่นจะดีกว่า เพราะน้ำอุ่น น, นะฮะจะช่วยละลายเสมหะได้ดีนะครับลดการระคายเคืองของคอบรรเทาอาการไอได้เล็กน้อยนะฮะและโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะไม่สั่งยาแก้อักเสบหรือยาฆ่าเชื้อให้เพราะหากเจ็บคอจากอาการหวัดอาการจะค่อยๆหายดีขึ้นเมื่อหายหวัดนั่นเองนะฮะและก็ตามด้วยการดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยลดเสมหะนั่นเองนะครับ ส่วนการเจ็บคอที่มาจากทอนซิลอักเสบนะฮะทอนซิลอักเสบนะฮะเป็นอาการที่ต่อมทอนซิล น, นั้นในลำคอมีอาการอักเสบบวมแดง เป็นรอยแดงจ้ำนะฮะและอาจพบจุดหนองเล็กๆด้วยนะฮะโดยอาการอักเสบนะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออื่นๆที่มาจากอาหารการกินนะฮะหรือจากสาเหตุอื่นๆนะครับอาการเจ็บคอจากทอร์ซินอักเสบนะฮะต้องได้รับยาปฏิชีวนะที่สั่งโดยแพทย์นะฮะและควรดื่มน้ำเย็นนั่นเองนะฮะ เพื่อที่ว่าน้ำเย็นนั้นจะช่วยลดอาการบวมลดอาการอักเสบของทออสินนะฮะนอกจากนี้นะฮะแพทย์อาจจะแนะนำให้รับประทานไอศครีมนะครับโดยเฉพาะไอศครีมช็อกโกแลตนะฮะเพราะช็อกโกแลตมีสารโฟลาโวนอยด์ที่ช่วยลดอาการอักเสบต่างๆได้อย่างดีนะฮะและยิ่งเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ก็จะดีมากที่สุดนะฮะเพราะดาร์กช็อกโกแลตจะมีสารโฟลาโวนอยด์สูงกว่าช็อกโกแลตปกตินอกจากนี้นะฮะยังสามารถ รับประทานช็อก โ, โกแลตแห้งโกโก้เย็นโกโก้ปั่นได้อีกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะการงดของมันของทอดนะครับยังเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่มีอาการเจ็บคอนะฮะเพราะอาหารมันอาหารทอดอาจทำให้อาการบวมอักเสบนั้นแย่ลงนะฮะและอย่าลืมรับประทานยาตามที่หมอสั่งให้ครบนะฮะโดยเฉพาะอย่างนีย้ยาฆ่าเชื้อสำหรับคนที่เจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรียนะฮะ ต้องรับทานอยาให้ตรงเวลาและรับทานอยาให้หมดแม้ว่าอ า, จาการติดเชื้อนั้นจะดีขึ้นแล้วเพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะดื้อยานั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าการเจ็บคอนั้นนะฮะก็มีอยู่ด้วยกันสองปัจจัยนะครับแล้วก็การดื่มน้ำที่ถูกวิธีก็จะสามารถช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บคอให้ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดนั่นเองนะครับส่วน ข้อสงสัยอีกอันหนึ่งนะฮะสำหรับพุทธีเริ่มที่จะฝึกในการวิ่งมาราธอนนะฮะหรือที่จะเริ่มหันมาดูวยแลสุขภาพเริ่มต้นด้วยการวิ่งเหยาะๆธรรมดานะฮะหลังจากวิ่งหรือในขณะวิ่งนั้นจะรู้สึกว่ามีการคำยุบยิบยุบยิ บ, ยบนะฮะตามตัวตามร่างกายตามแขนตามขาตามพุงนะฮะแล้วก็บางเขาว่าการคันนั้นนะฮะเกิดจาก ไขมันในลำตัวในช่วงกล้ามเนื้อต่างๆนั้นแตกตัวนะฮะคนเรานั้นก็ดีใจว่าจริงๆแล้วนั้นจะกระทำให้ส่งผลให้ผอมตามมาแต่จริงๆแล้วลองมาหาคำตอบกันนะครับว่าจริงๆแล้วนั้นมันคืออะไรนะฮะการวิ่งแล้วรู้สึกว่ามีอาการคันยิบยิบตามร่างกายตามแขนตามขาตามลำตัวสะโพกหรือส่วนอื่นๆของร่างกายขณะวิ่งนั้นหรือหลังจากวิ่งเสร็จใหม่ๆนะฮะ เป็นปฏิกยาของเส้นใยประสาทที่มีโปรโตีนชิ้นหนึ่งที่เราเรียกว่าฮิสตามีนนะฮะตามปกติแล้วนะฮะฮิสตามีนนะฮะจะถูกหลั่งออกมาเมื่อร่างกายมีอาการแพ้สารบางอย่างโดยหน้าที่ของฮิสตามีนคือ การหลั่งออกมาเพื่อเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดนะฮะอย่างปัจจุบันทันด่วนนะฮะเพื่อที่ร่างกายจะเพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตไปยังเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บหรือมีอการติดเชื้อนั่นเองนะฮะเพื่อลำเลียงระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ในเลือดให้เข้าไปจัด ก, การเนื้อเยื่อที่มีปัญหาได้โดยเร็วมากที่สุดนะฮะและแน่นอนว่าผลข้างเคียงของฮิสตามีนที่เข้าไปขยายหลอดเลือดจะทำ ให้เกิดอาการคันยิบยิบนะฮะแต่นอกเหนือจากนี้นะฮะหน้าที่หลักของฮิสตามีนะตามที่กล่าวไปแล้วนะฮิสตามีนยังหลั่งออกมาเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างหนักอีกด้วยนะฮะเนื่องจากคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหรือระบบไหลเวียนโลหิตอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการถูกกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายอย่างหนักในครั้งแรกนะฮะร่างกายจะหลั่งสารที่มีชื่อว่าฮิสตามีนออกมาเพื่อขยายหลอดเลือด ให้ระบบไหลายเวียนโลหิตทำหน้าที่ลำเลียงโลหิตไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้เร็วขึ้นนะฮะเพื่อป้องกันอาการเมื่อยล้าและช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะวิ่งได้นานมากขึ้นหรือเรียกว่า มีความอืดของร่างกายมากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นนะฮะใครที่ชอบวิ่งหรือออกกำลังกายหนักๆแล้วคันยุบยิบไปทั้งตัวนะแสดงว่าไม่ได้คอยออกกำลังกายนั่นเองนะฮะเส้นประสาทที่อยู่ในบริเวณน้ำตามสะโพกตามขาตามลำตัวไม้กระตั้งต้นแขนเลยมีความไวยต่อฮิสตามีนมากกว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำนะฮะทางแก้ง่ายๆก็คือสำหรับคนที่ฝึกวิ่งนะให้วิ่งระยะสั้นๆแล้วพักนะฮะ แล้วก็ทนไปก่อนระดั บ, บความคันยุบยิบนั้นก็จะค่อยๆลดลงไปนั่นเองนะเมื่อมีภาวะที่วิ่งหรือออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะฮะทางนี้หากวิ่งหรือออกกำลังกายแล้วคันมากพิเศษนะฮะที่ไม่ใช่คันยุบยิบธรรมดานะฮะหรือคันไม่หายนะอาจมาจากปัจจัยสาเหตุอื่นเช่นความอับชื้นของเหงื่อในร่างกายที่ทำให้ปฏิยากับ เสื้อผ้าขณะที่ออกกำลังกายอาจาระบายความร้อนหรืออากาศไม่ดีพอเสื้อผ้าอาจจะไม่สะอาดหรือมีสารตกค้างจากผงซักฟอกนะฮะและสาเหตุอื่นๆแต่แน่นอนว่าไม่ได้เป็นไขมันแตกตัวอย่างที่หลายๆคนคิดอย่างแน่นอนนะฮะกว่าที่ไขมันจะค่อยๆสลายตัวต้องใช้เวลาล่วงหลายเดือนนะฮะและไม่ได้ทำให้รู้สึกชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามก็ขอให้รู้ว่า การวิ่งนั้นนะฮะก็จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีนะฮะการขันยุ้ยยิบยุย้บยับนั้นนะฮะสามารถนะหายไปได้แน่นอนเมื่อคุณผู้ฟังนั้นออกกำลังกาย จากเชนเล็กในน้อยๆและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบของเส้นประสาทสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทันนั่นเองนะครับเห็นไหมละครับว่าทั้งสองความเชื่อ น, ะนะั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่เป็นจริงหลักการตามทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้นะฮะดังนั้นนะคุณผู้ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำนะฮะ ที่ถูกต้องนะก็จะช่วยในการที่จะรักษาอาการเจ็บคอได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วการวิงเทียอาการคันนั้นไม่ได้มาจากการที่ไขมันแตกตัวแน่นอนนะฮะแต่เกิดจากระบบประสาทนั่นเองนะครับพักเบรกกันสักครู่นะฮะแล้วกลับมาช่วงเปิดหม้อนะครับ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ่าย3โมงจันทร์ถึงศุกร์โทร 02-549-3043 หรือที่เวอร์ไวด์เว็บดอทโลตัสดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซดอททีเอชฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเปิดหม้อ กลับมาช่วงสุดท้ายนะฮะกับช่วงเปิดมอธะวันนี้ก็มีเมนูของอาหารอีสานหรือชาวภาคเหนือก็รับประทานกันนะฮะแล้วก็อาจจะหาทานยากในบางฤดูนะฮะกับเมนูที่ชื่อว่ายำไข่มดแดงนะฮะไข่มดแดงนะฮะเป็นไข่ผสมระยะตัวอ่อนของราชินีของมดนะฮะแล้วก็มดงามนะฮะมีขนาดเท่ากับแคสซูนยานะฮะยาวประมาณหนึ่งเซนนะฮะหรือบ้าง ก็เรียกว่าแม่แป้ง น, น ะ, ะไข่มดแดงน ะ, ะมีคุณสมบัติทางคุณค่าทางโภชนาการอยู่สูงนะฮะมีโปรโตีนสูงไขมันน้อยนะฮะเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมทำง่ายรสชาติอร่อยนะฮะคุณสมบัติที่ได้รสเปรี้ยวจากไข่มดแดงธรรมชาติแล้วก็มีแร่ธาตุเหล็กสูงมากกว่าไข่ไก่นะครับ ไค่หมูดแดงนะจึงนะเป็นอาหารที่สามารถที่จะหารับทานได้ยากนะแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากในทางผักอิสารผักเหนือนะ่อยไหมไค่หมูดแดงนั้นสามารถนำมาพระยุก drip.04 ได้หลายเมนุไม่หวัดจะเป็น osc.j พนุคเจียวไค่หมูดแดง แกงเลียงแกงเลียงผักหวานลาบเป็นต้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะไข่มดแดงนะฮะก็มีการผลิตนะฮะเป็นลักษณะของไข่มดแดงกระป๋องน ะ, ะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีรับประทานได้ตลอดปีนั่นเองนะครับส่วนส่วนประกอบของยำไข่มดแดงนะฮะก็จะมีไข่มดแดงนะฮะพริกป่นนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำมะนาวข้นสดนะฮะสองช้อนโต๊ะ ข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาต้นหอมผักชีนะครับประมาณครึ่งถ้วยใบสะระแหน่ครึ่งถ้วยนะครับหอมแดงครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำปลาร้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับวิธีการทำนะฮะก็เริ่มต้นด้วยล้างไข่เม็ดแดงให้สะอาดนะฮะจากนั้นนะฮะก็มาเตรียมน้ำยำไม่ว่าจะเป็นพริกปน่น น้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลานะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะครับใส่ไข่หมูดแดงนะครับหอมแดงซอยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักครั้งหนึ่งฮะแล้วก็โรยด้วยเข้าวคั่วนะครับต้มหอมผักชีแล้วก็ใบสะแหนะนะฮะแล้วก็คลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับรับประทานคู่กับ เข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะหรือจะมีตามด้วยส้มตำยำลาบต่างๆนะฮะหรือเนื้อย่างเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวก็สามารถที่จะรับประทานเข้ากันอย่างอเริดอร่อยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนกับเมนูที่ชื่อว่ายำไข่หมดแดงนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ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 to、uh -huh. see、you.